ต่อไปสัตตมีวิพัฒน์ข้อที่4ข้อ 4. ี่สั ต, ตมีวิพัตน์ในอัตนาทังละก็คืออนาทอนนั่นแหละอนาทังละอนาธรเนี่ยเราเคยผ่านมาครั้งหนึ่งแล้วในฉัตรถีวิพัฒน์ลองย้อนไปเทียบดูอนาธรฉัตรถีกับอนาธรนสั ต, ตมีเหมือนกันไหมเปิดกลับคืนไปหน้า50หน้า50าสข้อหฉัตรถีวิพัฒน์ในอัตนาธรแปลว่าเมื่อทีนี้สั ต, ตมีวิพัฒน์ แปลว่าอนนาธรก็แปลว่าเมื่ออีกแหละเมื่อหรือครั้นเมื่อในสัตในชัตถีบอกว่าโรทันตานังปุตตานังโสอิสีปะพชังปะชิเมื่อบุตรทั้งหลายร้องไห้อยู่เขาเออกบวชเป็นฤาษีแล้วส่วนในสัตตมีเขาบอกว่าอากามเกสุมาตาปีตูสูุรุธันเตสุปะชิมันเหมือนกันเลยเห็นไหมเมื่อมารดาและบิดาผู้ไม่ปราถนากร้องไห้อยู่บวชแล้ว เขาไปบวชพ่อแม่ร้องให้ตามเขาไปบวชระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยเป็นอนาทรไม่เกื้อกูลกันไม่เอื้อเฟื้อไม่อารดูตัวอย่างข้อหนึ่งอกามเกสุกามะแปลว่าต้องการกาะกะแปลว่าผู้ต้องการมีอะปฏิเสธอยู่ข้างหน้าแปลว่าผู้ไม่ต้องการอะแปลว่าไม่ กามะแปลว่าต้องการกะแปลว่าผู้กามะกะไม่ต้องการผู้ก็แปลว่าผู้ไม่ต้องการส่วนสุสะตมีพัทเขา้าเป็นเ อ, อกามเกสุแปลว่าผู้ไม่ต้องการอยู่ผู้ไม่ต้องการไม่ใช่อยู่่ผู้ไม่ต้องกา ร, ม, ม, การมาตาปีตูสุครั้นเมื่อมารดาและบิดาทั้งหลาย อมาตาปีตุสุครั้นเมื่อมารดาและบิดาทั้งหลายอกาเะเกสุผู้ไม่ต้องการรุทันเตสุร้องให้อยู่รุทา่ทาธาตุในอัตว่าร้องให้อันตะปจจัยเป็นปัจจุบันร้องให้อยู่กำลังร้องให้ขณะร้องให้ปัปพชิบวดแล้วก็คือใส่โสเข้ามาก็ได้นะโสเขาปัปพชิบวดแล้ว พ่อแม่ไม่อยากให้บวชลูกกับอยากบวชพ่อแม่อ้อนวันจะบวชเลยอย่าบวชเลยกําลังร้องไห้อยู่หนีไปบวชซะเลย ม, มีมีไหมคงจะมีนะแต่น้อยนะส่วนมากพ่อแม่ร้องไห้อยากให้บวช <c oughs> ลูกหนี <c oughs> แปลว่าครั้งเมื่อไม่ครั้นเ ม, เมื่อก็เมื่อเฉยๆก็ได้นะเมื่อมารดาและบิดาทั้งหลายผู้ไม่ต้องการร้องไห้อยู่เขาไปบวชแล้ว ต่อไปข้อ2เป็นคาถามาจากคาถาสองคาถาแต่ว่ามันรวมให้เป็นอยู่ในคาถาเดียวกันเฉยแต่ว่ามาจากคนละแห่งนะ2คาถาเนี่ยดูนะอากตยันโตโสเนติสิวิงราชัสเปคาโตอีกาถา 1. นึงมัจจุคัจจติอาทายะเปกมาเนมหาเชาเนสิวิงราชัสเปคาโตนั่นนะเป็นฉัีวิพัต เปโคมาเนมหาชเนเนเป็นสัตตมีวิพัฒน์สิวิราชารู้จักไหมสิวิราชาพระเจ้าศรีพีรู้จักไหมเพราะเอ่ยเอ่ยชื่อว่าพระเจ้าศรีพีรู้ไหมว่าใครไม่เคยได้ยินเหร อ, อคําว่าพระเจ้าสิวิสิวิราชก็คือพระเวสสันดร น, นั่นเองพระราชา มาจากกรุงศรีพีก็คือพระเวสสันดรนะตอนออกไปบำเพ็ญบารมีใครไม่เคยฟังเรื่องพระเวสสันดรนะหายากนะภาคกลางกรุงเทพเนี่ยจะเทศมหาชาติส่วนมากก็จะเป็นเทศช่วงใกล้ๆออกพรรษาเทศมหาชาติเทศตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนออกพรรษาไปจบกันสุดท้ายที่วันออกพรรษาพอดีเทศมหาชาติวันมหาธาตุก็เทศแบบนั้น ถ้าทางภาคอื่นอย่างภาคอีสานก็จะเทศเดือนสี่เดือนสเขาเรียกว่าบุญมหาชาติบุญพระเวทบุญพระเวทบุญเทศมหาชาติพระเวสสันดรเนี่ยหลังจากที่ให้ช้างเป็นทานแก่พวกพราหมณ์ก็ถูกพร ะ, พระชะนกนะถูกพระชะนกขับไล่ออกจากเมือง ว่าอยู่ต่อไปเดี๋ยวก็ให้นุ่นให้นี่ยิงหน่อยให้บัรลังแน่นะเดี๋ยวก็ยกบัรลังให้คนอื่นซะขับไล่ออกจากเมืองก็เลยพาพนังมัตซีแล้วก็พากันหาชาลีลูกสองคนออกไปสู่ป่าหิมพ์อพานสู่ป่าป่ามีสองป่าเริ่มตั้งแต่ป่าโปร่งไปจนถึงป่าป่าทึบจุลพลเนี่ยป่าโปร่งมหาพลเนี่ยป่าทึบป่าดงดิบ พอไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยส่วนพราหมณ์ชูชกได้นางอมิตรตามาเป็นภรรยานางมิตรตาก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไปไหนมาไหนก็ถูกชาวบ้านล้อเลียนว่าได้สามีแก่ก็เลยจะหนีชูชกก็เลยอาสาบอกว่าถ้าหาคนใช้มาให้ทํางานบ้านได้ก็จะอยู่ต่อชูชกก็เลยเห็นอย่างเดียวเลย คนจะให้ลูกเป็นทานไม่มีใครแล้วในโลกนี้มีพระเวสสันดรเท่านั้นเดินทางผ่านจุนลพลมหาพลผ่านป่าโปรงปร่าทึอกไปถึงที่อยู่พระเวสสันดรได้ปรึกษากันเรียบร้อยยกกันหาชาลีให้เป็นทานคาถาหนี้บอกเรื่องอย่างนั้นว่าสิวิราชัสเมื่อพระเวสสันดรเปขะโตทอดพระเนตรอยู่ ทอดพระเนตรดูอยู่โสชูชกนั้นเนติอ่านี่มาก่อนโอาโกตยันโตโบอยอยู่โบยตีอยู่เนติย่อมนำไปก็คือลากกัญหาชาลีทั้งเขี่ยนทั้งดึงแขนไปตีไปลากไปตีไปลากไประหว่างพระเวสสันดรกับชูชกเนี่ยใครเป็นอนาธร ใครไม่เอื้อเฟื้อือชูชกหรือพระเวสสันดรไม่เอื้อเฟื้อในที่นี้หมายถึงพระเวสสันดรเพราะตัวอนาทรคือฉัตถีมิพัทไม่ใช่อนาทรเป็นสัตตมีตัวอนาทรนเนี่ยคือฉัตถีพระเวสสันดร น, นี่ยไม่เอื้ออาทรลูกเลยะยอมถ้าเป็นอาทรเมื่อไหร่อุ้ยไม่ต้องตีเราเอาไปเฉยๆก็ได้ อาจจะเอ่ยคำใดคำหนึ่งขึ้นมาได้แต่ก็อดกลั้นเพื่อจะบําเพ็ญบารมีให้เต็มอนาทรคือพระเวสสันดรสิวิองราชะเนี่ยเป็นอนาทรจึงลงฉถีวิพัตอิวทาหอนหนึ่งมัจจุคัจฉติอาธายะเปขมาเนมหาชะเนมหาชะเนเป็นสัตมีวิพัตแปลว่าครั้นเมื่อมหาชนมหาชะเนครั้นเมื่อมหาชน เปกขมาเนมองดูอยู่มองเห็นอยู่แลดูอยู่เปกขมาณะเปกขมา น, นี้ยไปว่ามองไปว่าดูมัจจุความตายอาทายพาเอาแล้วถือเอาแล้วพาเอาแล้วคัดสติย่อมไปพาไปนั่นเอง ขณะที่มหาชนมองดูอยู่ความตายก็นำเขาไปคนป่วยนอนอยู่ญาติมิตรเพื่อนพ้องมาล้อมมารุมเฝ้าดูอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ความตายก็มาฆ่าชีวิตเข้าไปอาถายะพาไปคัจจตินังแปาไ ป, ไปนำเอาไปความตายนำเอาไปแล้ว ดังนั้นผู้ที่ไม่อาทรเนี่ยไม่ใช่ความตายนะกลายเป็นมหาชนมเมื่อไม่ใช่มหาชนมองดูความตายในขณะที่มหาชนเฝ้าดูอาการเจ็บป่วยของเขาอยู่เนี่ยความตายก็มาฆ่าชีวิตเข้าไปสงสัยถามอ่าแปลมีสองข้อเท่านี้แหละอากามะเกสุมาตาปีตูสูรุทันเตสุปภชิ เมื่อมารดาและบิดาทั้งหลายผู้ไม่ปราถนาร้องให้อยู่เขาบวชแล้วอากตยันโตโสเนติสิวิงรชัชสาเปคาโตเมื่อพระเวสสันดรทอดพระเนตรดูอยู่โสเอาโชชกนั้นโบย บอยตีอยู่ย่อมนําไปมัจจุคัจฉิอาทายะเปฆมาเนมหาชเสนเมื่อมหาชนแลรดูอยู่ความตายพาเอาไปความตายพาเอาไปแล้วความตายพาแล้วย่อมไปนั่นเองความตายมาพาเอาไป อันนี้คนละคนละคนละอย่างอันนี้เป็นสัตตมีอันหนึ่งเป็นฉัตรถีอันหนึ่งเป็นฉัตรถีหนึ่งเป็นสัตตมีเป็นอนาทรเหมือนกัน<ม>ต้องเป็นสัตตมีเหมือนกันมองดูคนป่วยอะ่ะขณะที่มหาชนมองเห็นคนป่วยอยู่คนป่วยก็ตายไปเลยอะไรเนี้ยแต่ท่านไม่บอกว่าคนป่วยตายแต่ก็บอกมัจจุราชเนี่ยมาพาเอาไปในขณะที่ผู้คนมองดูอยู่เนี่ยความตายก็มาพาเข้าไปต่อไป ง่ายแล้วตอนนี้มีเล็กๆน้อยๆ